วันนี้เป็นวันอาสาลาหาบูชาประจำปีพุทธศักราช2558เป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีครบองค์ทั้งสามองค์ พรันตนไกรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเหมือนกับหัวใจของร่างกายถ้าร่างกายปราศจากหัวใจร่างกายก็จะเป็นซากศพไปฉันใดพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็จะเป็นเพียงซากของพระพุทธศาสนาที่จะไม่สามารถยังประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกได้แต่ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไร่เมื่อนั้นก็จะมีพระพุทธศาสนาวันนี้จึงถือว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนา พ่อเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบทั้งสามองค์องค์แรกคือพระพุทธรัตนะเกิดขึ้นมาก่อนสองเดือนคือเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหที่เรียกว่าวันวิสาขาบูชาแล้วต่อมาอีกสองเดือนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง ประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกจึงเรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นของพระธรรมมรตนาะและหลังจากที่พระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมมเศสนาเสร็จสิ้นลงก็ปรากฏมีผู้ที่ฟังอยู่นั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยสงฆ์ ขั้นที่หนึ่งเป็นเป็ น, ปนพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระอัญญาณโกณทัญญานี่คือเหตุการณ์ที่มีความสําคัญในวันอาสาฬหาบูชาทําให้เรารู้ว่าเรามีพระพุทธศาสนาที่มีครบพระพุทธมีครบ พระัตนตรคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่จะนำประโยชน์อันเลิศอันประเสริฐให้แก่สัตว์โลกประโยชน์ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเอื้ออำนวยให้แก่สัตว์โลกนี้เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่า ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเพชรนินจินดาอะไรที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงไรก็ตามเมื่อมาเปรียบเทียบกับคุณค่าของพระรัตนตรัยแล้วจะเทียบกันไม่ติดจะเป็นเหมือนฟ้ากับดินเพราะคุณประโยชน์ที่เพชรนินจินดาต่างๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีสิธิ์มาครอบครองได้นั้นสู้คุณประโยชน์ที่ผู้ที่จะได้รับจากพระรัตนตรัยไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเพชรนินจินดาของมีคุณค่าต่างๆในโลกนี้นั้นไม่สามารถซื้อความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายได้ ต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนมีเงินทองมากมายขนาดไหนก็ตามจะไม่สามารถซื้อความไม่แก่ซื้อความไม่เจ็บซื้อความไม่ตายได้แต่มีพระรันาตนตรัยนี้เท่านั้นที่จะสามารถซื้อความไม่แก่ซื้อความไม่เจ็บและซื้อความไม่ตายได้เพราะพระรันาตนตรัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านรู้วิธีที่จะทําให้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนั่นเองก็คือวิธีการไม่ต้องมาเกิดถ้ามีการเกิดก็จะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายตามมาอย่างแน่นอนเสมอแต่ถ้าไม่มีการเกิดความแก่ความเจ็บความตาย จะมาได้อย่างไรนี่แหละคือคุณค่าของพระรัตนใจอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่สามารถหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้และขณะที่เกิดมาแล้วก็สามารถหยุดความทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ผู้ที่มีพระรัตนใจอยู่ในใจ เวลาที่ร่างกายแก่ไปเจ็บไปหรือตายไปจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นภายในใจเลยต่างจากผู้ที่ไม่มีพระรัตนตรยัยผู้ที่ไม่มีพระรัตนตรัยนี้เวลาประสบกับความแก่ประสบกับความเจ็บประสบกับความตายนี้จะทุกข์ทรมานใจมากเพราะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับความแก่ กับความเจ็บและความตายนั่นเองนะแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างพระอญญนญานโกลธัญญานี้ท่านก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายอีกต่อไปนี่คือ คุณประโยชน์ที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนาจากพระรัตนตรยัยประโยชน์ขั้นแรกเท่านั้นยังมีประโยชน์ที่สูงกว่า น, นั้นอีกเพราะพระรัตนตรัยนี้จะนําคุณประโยชน์มาให้สี่ระดับประโยชน์ด้วยกันระดับแรกก็ระดับของพระโสดาบันระดับที่สองก็คือระดับของพระสกีดาคามี ระดับที่สามก็คือระดับของพระอนาคามีและระดับที่สี่ก็คือระดับของพระอาหารหันตสาวกนี่เป็นระดับของประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้รับประโยชน์ถ้าเป็นพระโสดาบานันนี้ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือ จะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บและความตายและถ้าจะต้องยังกลับมาเกิดอยู่ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปแล้วถ้าแล้วก็จะสามารถบรรลุไปถึงขั้นพระอาหารหันต์ได้ภายในเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนี่คือประโยชน์ของผู้ที่ได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมและนำเอา ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาระดับที่สองนี้ท่านเรียกว่าพระสกิดาขามีท่านก็จะได้รับประโยชน์คือท่านจะกลับมาเกิดเพียงอีกหนึ่งชาติเป็นอย่างมากแล้วท่านก็จะบรรลุเป็นพระ อ, อรหันต์เข้าสู่พระนิพพานไประดับที่สามคือพระ อ, อนาคามมนี้ ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตีกต่อไปคำว่านาคามีก็คือผู้ไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์จะไปเกิดในภพของพระพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลำดับต่อไปส่วนพระอาหารหันต์นั้นก็คือผู้ที่ได้หลุดพ้นจากวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดทั้งใจภพ ทั้งการมาพบรูปประพบและอรูปประพบไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บและไม่ต้องตายอีกต่อไปนี่แหละคือคุณค่าของพ ร, ระรัตนไตรคำว่ารัตนะก็คือของที่มีคุณค่าเปรียบเทียบเหมือนกับเพชรเนินจินดา เพียงแต่ว่ามีคุณค่าเหนือกว่าเพชรนินจินดาแบบเทียบไม่ได้เพราะเพชรนินจินดาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถซื้อความไม่เกิดไม่ได้ผู้ใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ยังจะต้องกลับมาเกิดอยู่อีกเรื่อยๆ เ, เกิดไปอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิน้น ถ้ายัางไปหลงอยู่กับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่หาเพชรเนินจินดาเพื่อมาซื้อสิ่งต่างๆซื้อความสุขต่างๆอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะซื้อการไม่กลับมาเกิดไม่ได้เงินทองต่างๆลาบยศสรรเสริญสุขต่างๆในโลกนี้ ไม่สามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่สามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้มีพระรัตนตรัยเท่านั้นที่จะสามารถซื้อความไม่แก่ซื้อความไม่เจ็บซื้อความไม่ตายได้ด้วยการไม่กลับมาเกิดและจะซื้อความไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ทุกกับความตายได้ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์แล้วเนี่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความตายจะไม่ทุกข์กับความแก่เพราะจะมีดวงตาเห็นธรรมที่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นเองผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นร่างกาย ผู้ที่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายเป็นใจแต่ใจมืดบอดมืดบอดด้วยโมหะอวิชชาเหมือนกับคนตาดีแต่ถูกเอาผ้ามาปิดตาเอาไว้คนที่ถูกผ้าปิดตาไว้ก็เหมือนคนตาบอดไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีนี้สามารถเห็นอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจน แต่คนตาบอดนี้หรือคนที่ถูกผ้าปิดตาเอาไวน้นี้จะไม่สามารถเห็นอะไรได้ในสมัยเด็กๆเราเคยเล่นกันเราเอาผ้ามาปิดตากันก่อนที่จะให้เพื่อนๆของเราที่ร่วมเล่นกันนี้ไปหลบไปซ่อนตามที่ต่างๆพอเขาไปหมดแล้วเราก็เอาผ้าปิดตาเปิดออก เราก็จะมองไม่เห็นเขาไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนกันอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เราถูกเอาผ้าปิดตาเอาไว้ทำให้เรามองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นเหมือนคนรูปคลํำร่างกายแล้วก็ไปยึดไปถือไปติดไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา แล้วพอเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าเราคิดว่าเราจะเป็นอะไรไปกับร่างกายนั่นเองแต่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเราเป็นคนละคนกับร่างกายเหมือนกับหมอกับคนไข้หมอนี่เวลารักษาคนไข้หมอไม่ได้เจ็บไปกับคนไข้ หมอไม่ได้ตายไปกับคนไข้หมอไม่เดือดร้อนไปกับความเจ็บของคนไข้ไม่เดือดร้อนไปกับความตายของคนไข้เพราะหมอรู้ว่าหมอไม่ได้เป็นคนไข้แต่ใจของพวกเหล่านี้ถูกความมืดบอดคือโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้นี้ครอบงำจิตใจเลยทำให้ไปหลงคิดว่า เป็นร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรก็อยากจะไม่ให้เป็นอยากจะให้หายความอยากไม่ให้เป็นนี่แหละที่เป็นตัวทำให้ใจทุกข์ไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ความตายของร่างกายที่ทำให้ใจทุกข์แต่ความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่างหากแต่ถ้าเราลืมตาเอาผ้าที่ปิดตาของเราออกไป แล้วเราเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนคนไข้ส่วนเรานี้เป็นเหมือนหมอเราจะไปเดือดร้อนไปทุกข์กับคนไข้ได้อย่างไรถึงแม้ว่าเราจะมีความเมตตาห่วงใยอยากจะให้เขาหายแต่เราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เจ็บไปกับเขาเราไม่ได้ตายไปกับเขาเราก็จะไม่ได้ไปทุกข์ไปกับ เขานั้นเองนี่คือสิ่งที่ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าจะเปิดตาของพวกเราตาในไม่ใช่ตานอกตานอกนี้ที่เรียกว่าตาเนื้อนี้มองไม่เห็นความจริงอันนี้จะต้องใช้ตาในตาในนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี้ต้องอาศัย ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับการเปลี่ยนสายตาเปลี่ยนดวงตาพระพุทธเจ้านี้ท่านมีพระเมตตากับพวกเรามากท่านมีท่านบริจาคตาให้กับพวกเราทุกคนท่านสามารถที่จะแบ่งตาให้กับพวกเราได้บริจาคดวงตาให้กับพวกเราที่เป็นเหมือนคนตาบอดได้แต่พวกเราต้องต้องยอมให้ เปลี่ยนดวงตาเวลาเปลี่ยนดวงตาก็เหมือนกับการผ่าตัดนะการผ่าตัดก็ย่อมมีความเจ็บเป็นธรรมดาถ้าเรากลัวความเจ็บไม่ยอมผ่าตาเราก็จะไม่ย้อยไม่ยอมเปลี่ยนตาผ่าตาเราก็จะไม่ไม่ได้ดวงตาอันใหม่ที่เห็นอะไรได้อย่างชัดเจนตาของเราก็จะมืดบอดต่อไป แต่ถ้าเรายอมทนกับความเจ็บเพื่อที่จะเปลี่ยนดวงตาอันใหม่เอาดวงตาของพระพุทธเจ้ามาใส่ดวงตาของพวกเราเอาสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้ามาใส่กับใจของพวกเรามาเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิของพวกเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิตอนนี้เรามีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบกัน เห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพอเราเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอยากให้ร่างกายเราไม่แก่อยากให้ร่างกายเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายของเราไม่ตายพอเกิดความอยากก็เป็นสมุทัยที่เรียกว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเอง ความทุกข์ใจเกิดจากสมุทยัยสมุทัยก็เกิดจากความหลงความหลงเห็นผิดเป็นชอบเกิดจากมิจฉาทิฏฐิที่ไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของเราไปเห็นร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของเราแล้วก็อยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโดยที่ไม่ยอมดูความจริงของร่างกายว่า มีร่างกายของใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีในโลกนี้ร่างกายของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นของพระราชามหากษัตริย์ของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงสาวกทั้งหลายหรือของปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเรานี้เป็นเหมือนกันหมดร่างกาย เกิดแล้วย่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดมันเรื่องปกติเป็นธรรมชาติของร่างกายท่านเรียกว่าเป็นธรรมดาท่านจึงสงสอนให้พวกเราพิจารณาอยู่เนืองๆการพิจารณาอยู่เนืองๆ น, นี่แหละเป็นการสร้างมิจฉสามมาทิฏฐิขึ้นมาเป็นการเปลี่ยนดวงตาเปลี่ยนดวงตาจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฐิ โดยการเจริญพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่าร่างกายของเรานี้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ ลวงพ้นความตายไปเป็นธรรมดาลวงยอมอมีความตายเป็นธรรมดาลวงพ้นความตายไปไม่ไดเ้เพราะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราต้องพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของพ่อของแม่เป็นสมบัติเป็นเหมือนมรดกตกทอด ที่พ่อแม่มอบให้กับเราเป็นเพียงมรดกเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวเราตัวเรามีมกีมาก่อนที่จะมีร่างกายอันนี้ก่อนที่พ่อแม่ของเราจะมาสร้างร่างกายอันนี้ให้กับเรานี้เรามีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองตอนนั้นเรากำลังเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้เป็นเทพเป็นดวงวิญญาณเป็น อะไรอยู่ในขณะนั้นเรายังไม่รู้กันแต่เรามีอยู่แล้วเรามีมาก่อนพ่อแม่เกิดใช่ไหแต่เราไม่รู้กันพอพ่อแม่มาพบกันพ่อแม่ก็มาสร้างร่างกายสร้างมรดกให้กับเราเราก็มาขอรับเป็นผู้รับมรดกแต่ในสมัยปัจจุบันเวลาพ่อแม่ตายก็ต้องไปขออนุญาตจากศาลเป็นผู้จัดการมรดก อันนี้ก็เหมือนกันเราไปขออนุญาตจากกรรมกรรมนี้จะเป็นผู้ที่จะอนุญาตให้เรามารับมรดกที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาคือสร้างร่างกายนี้พอเราหมดกรรมจากการไปรับใช้บาปก็ดีหรือการไปรับใช้บุญก็ดีเราก็จะพร้อมที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พอเราได้มาพบกับพ่อแม่ของเราที่กําลังสร้างมรดกสร้างร่างกายนี้เราก็ไปขอครอบครองเราก็เข้าไปครอบครองอยู่เป็นเจ้าของทันทีเราเข้ามาครอบครองเราไม่ได้เป็นตัวร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่ออกจากร่างกายเก่าของเราในชาติก่อนชาติก่อนนี้ พอร่างกายเก่าของเราตายไปใจของเราก็ออกจากร่างกายเราก็เรียกใจของเราว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณของเราก็จะไปรับผลบุญผลบาปก่อนสุดแท้แต่ว่าอันไหนจะมีพลังที่จะส่งเราไปถ้าบุญส่งเราไปเราก็จะไปเป็นเทพเป็นพรหมก่อน หรือเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก่อนคือพระโสดาบันหรือพระสกิดาคามีแล้วเราก็พอหมดบุญระดับนั้นเราก็จะกลับมารับร่างกายอันใหม่ได้มรดกอันใหม่หรือถ้าบาปส่งให้เราไปเกิดในอบายไปเป็นเดชะชานไปเป็นเปรตเลอไปตกนรกพอบาปที่ส่งเราไปนั้นหมดกําลัง เราก็จะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่เราก็จะมารับมรดกจากพ่อจากแม่ของเรา <c oughs> เคยได้รับร่างกายเพราะฉะนั้นเราต้องคิดอย่างนี้อยู่เรื่อวยๆว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงใจเป็นดวงวิญญาณที่เมื่อที่อดีตไม่เคยมีร่างกายเก่าแต่เมื่อร่างกายเก่านั้นตายไป เราก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปของกรรมของบุญของบาปที่เราได้ทําไว้พอบุญและบาปที่เราไปรับผลนั้นหมดแล้วเราก็กลับมารับมรดกจากพ่อแม่ของเราใหม่ได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหลงมายุดมาติดกับร่างกายอันนี้ใหม่มาคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็เลยต้องมาอยากให้ ตัวเราของเรานี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่อยากอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้วิธีที่จะห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนั้นต้องหยุดการกลับมาเกิดเท่านั้นการจะหยุดการกลับมาเกิดได้ก็ต้องตัดตันหาความอยากทั้งหมดไปให้ได้เพราะตันหานี่แหละเป็น ตัวที่จะผลักดันใจของเราให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆต้องตัดกามตัณหาให้หมดไปตัดภาวะตัณหาให้หมดไปตัดวิภาวะตัณหาให้หมดไปถ้าเราตัดตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจได้แล้วใจของเราก็จะไม่มีตัวที่จะมาผลักดันให้เรากลับมาเกิดอีกต่อไป เมื่อเราไม่เกิดเราก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาและได้บรรลุผลท่านท่านจึงนําเอาวิธีนี้มาสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราได้บรรลุผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวก ทั้งหลายได้บรรลุนั่นก็คือบรรลุการไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละคือคุณค่าอันประเสริฐของพระรัตนตรัยที่นานๆานจะปรากฏขึ้นมาให้สัตว์โลกได้มีโอกาสมาคอบครองไว้เป็นสมบัติ มีโอกาสที่จะได้เอามาซื้อความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซื้อการไม่เกิดนานๆนนจะมีสินค้าชนิดนี้ปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งและนานๆที่พวกเราจะมีจังหวะที่มาเกิดและได้มาพบกับพระพุทธศาสนากันจึงอย่าปล่อยให้จังหวะนี้โอกาสนี้ที่ ยากเย็นยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งเสีย อ, อีกการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งนี้ง่ายกว่าการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและรางวัลของพระพุทธศาสนานี้ก็มีคุณค่ามากกว่า เงินรางวัลที่ได้จากการถ ones, 100, 000, 000 10, ูกลอตเตอรี่รางวัลที bag, ่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งเสียด้วยซ้ำไปเพราะจะถูกลอตเตอรี่รางวัลกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามเงินรางวัลที่ได้มานี้ไม่ซื้อไม่สามารถซื้อความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไม่สามารถซื้อการไม่ต้องกลับมาเกิดได้จะต้องกลับมาเกิดอีกจะต้องกลับมาทุกข์กับความแก่กับความเจ็บ กับความตายเอีกลอยครั้งผันครั้งหรือ้อยล้านพันล้านครั้งจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มีโอกาสมาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระรัตนาตรัยพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งทดแทนกันได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนก็ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ ถ้าไม่มีพระธรรมคําสอนมีพระอาหารหันตสาวกท่านก็ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้านําเอาคําสอนออกมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกได้ต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งในสามองค์นี้ก็ถือว่ายังมีพระรัตนตรัยอยู่เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนหนึ่งเดียวกันต่างกันตรงรูปลักษณะเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรตวธรรม พระธรรมคําสอนเป็นคําสอนที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติได้ตัดสรู้ธรรมผู้ที่ปฏิบัติพระธรรมตามพระธรรมคําสอนแล้วตัดสัรู้ธรรมบรรลุธรรมก็คือพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นอันเดียวกันเป็นผู้ที่จะสามารถนําพาพวกเราให้ออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป และขณะที่ยังมีร่างกายนี้อยู่เวลาที่ร่างกายแกร่ร่างกายเจ็บและร่างกายตายไปก็จะไม่ทําให้ใจทุกข์เพราะใจมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาของพระพุทธเจ้านั่นเองการมาเข้าหาพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นเหมือนกับการไปเปลี่ยนดวงตาสมัยนี้ เขามีความสามารถที่จะเปลี่ยนดวงตาของคนที่ไม่ดีเอาดวงตาของคนที่ดีมาใส่แทนกันได้เพราะมีผู้มีจิตเมตตาบริจาคดวงตาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตพอเวลาเสียชีวิตเขาก็รีบเอาดวงตานี้ออกจากร่างกายของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เอาไปถ่ายให้กับร่างกายของของผู้ที่ ยังมีชีวิตอยู่แต่ดวงตามืดบอดมองไม่เห็นพอถ่ายเข้าไปแล้วก็ทำให้ดวงตาผู้ที่ร่างกายของผู้ที่มีชีวิตอยู่นั้นสามารถมองเห็นอะไรต่างๆได้นี่ก็เหมือนกันการที่เราเข้ามาหาพระพุทธศาสนาก็เหมือนเรามาเข้าโรงพยาบาลเข้ามาเปลี่ยนดวงตาเปลี่ยนดวงตาที่มืดบอดของเราที่เรียกว่า มิจฉาทิฏฐิคือหาเห็นความผิดมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจากเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นของเราเห็นสิ่งที่ทุกว่าเป็นสุขเนี่ยพอเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงนั่นเอง เป็นความสุขชั่วคราวพอมันพอมันเสื่อมไปหมดไปความสุขนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเพราะว่ามันจะต้องจากเราไปได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็แล้วก็ต้องจากกันไปอนาคตของพวกเราอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่การจากจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้นั่นเอง เวลาที่เราตายไปเราอะไรไปได้บ้างร่างกายนี้เราก็เอาไปไม่ได้บ้านเราก็เอาไปไม่ได้รถยนต์เราก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเราก็เอาไปไม่ได้สามีภรรยาเราก็เอาไปไม่ได้บุตรธิดาหลานเลนเราก็เอาไปไม่ได้นั่นแหละคืออนาคตของพวกเราถ้าพวกเราไม่รีบตักตวงคนประโยชน์ จากพระพุทธศาสนาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่รีบเปลี่ยนดวงตาเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิให้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเราจะทุกข์มากเวลาที่เราจะต้องสูญเสียเวลาที่เราจะต้องพัดภาคจากสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบเราหวงไปแต่ถ้าเราเปลี่ยนดวงตาได้ทันท่วงที เราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบนี้มันเป็นเหมือนยาพิษเราจะโยนทิ้งทันทีเหมือนเวลาเราจะดื่มน้ำแล้วเขาติดป้ายกระโดกกากระโหลกควายกระดูกไว้และเขียนว่าอันตรายเป็นยาพิษนี้เราจะไม่กล้าดื่ม้าไปอย่างแน่นอนเห็นปั๊บเราจะต้องโยนทิ้งทันทีฉันใดผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะเห็นอย่างนั้น แต่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นยาพิษทางนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้ใจต้องทุกข์ทรมานก็ดูสิมีอะไรที่เราไม่ทุกข์ด้วยสิ่งที่เรามีนี่มีอันไหนที่เราไม่ทุกข์ด้วยมีเงนินมีทองเราทุกข์กับมันหรือเปล่ามียศเราทุกข์กับมันหรือเปล่ามีสารเส ร, ร, ส ร, ริญเราทุกข์กับมันหรือเปล่ามีความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายเราทุกข์กับมันหรือเปล่า มันมีความทุกข์อยู่กับความสุขนั่นแหละแต่เราเห็นเพียงด้านเดียวเพราะตาเรามันบอดกันชอบเห็นแต่ด้านที่สวยที่งามที่สุขที่ดีเท่านั้นไม่ยอมมองด้านที่ไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่ดีกันพอด้านที่ไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่ดีโผล่ขึ้นมาก็ทุกข์กันไปทั่วหน้าวุ่นวายกันไปทั่วหน้า เพราะไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่ยอมมาเปลี่ยนดวงตากันวิธีที่จะเปลี่ยนดวงตาก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี่แหละคือวิธีเปลี่ยนดวงตาด้วยการปฏิบัติทำสามขั้นโดยกันคือทานศีลและภาวนานี่เองนี่แหละเป็นวิธีเปลี่ยนดวงตา ดวงตาที่มืดบอดให้เป็นดวงตาที่สว่างสวัยที่จะเห็นอะไรเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหันตสสาวกทั้งหลายได้เห็นกันขอให้พวกเรามาเปลี่ยนดวงตากันเถิดเพราะตอนนี้เรายังมีโรงพยาบาลรับเปลี่ยนดวงตาอยู่ต่อไปพบหน้าชาติหน้าเวลาเอมกลับมาเกิดใหม่อาจจะไม่มีโรงพยาบาลเปลี่ยนดวงตาให้กับพวกเราอีกแล้วก็ได้ เพราะพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าก็ส่งปยากรณ์ไว้ว่าจะอยู่ได้ประมาณ5000ปีนี่ก็เข้ามา2558บปวก4ีปีเข้าไปแล้วเพราะว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น45ปีก่อนพุทธกาลพุทธกาลนับจากวันที่พระพุทธเจ้าดับขันตรเล ด, ดับขันธะปรินิพานไป เพระพุทธศาสนาตอนนี้จึงมีอายุอยู่ 2,558 บวกกับ4 5ปีหย่อน2เดือนแต่ตอนนี้ก็ครบ2เดือนพอดีเพราะนี่คือเดือน8วันครบรอบวันเกิดของพระพุทธศาสนาพอดีอันนี้เป็นโอกาสที่เลิกที่วิเศษเป็นโชคครลาบอันมหาศาลที่นานๆานจะได้เกิดขึ้นสักทีก็ให้คิดดูสิว่า การถู ก, กรัตตล่รางวัลที่หนึ่งแต่ละครั้งนี่มันยากขนาดไหนตั้งแต่เราเกิดมานี่เราได้ถูกกันหรือยังแล้วการถูกเป็นร้อยครั้งพันครั้งนี่มันจะยิ่งยากกว่าอีกร้อยร้อยร้อยพันเท่าไม่ใช่เลยแล้วคิดดูสิว่าการได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ยิ่งยากกว่าการถูกกัตตลีร้อยครั้งพันครั้งซิ ตอนนี้เราถูกแล้วเราได้พบรัตตนะอันประเสริฐแล้วพบโรงพยาบาลที่จะเปลี่ยนดวงตาให้กับพวกเราแล้วเปลี่ยนเมตชาทิฏฐิให้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิให้เปลี่ยนตาที่มืดบอดให้สว่างสวยัยให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายเพื่อที่จะได้ละตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหา เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปชาตินี้เป็นชาติที่ดีที่สุดดีกว่าชาติต่างๆที่เราเคยได้เกิดได้ผ่านมาไม่ว่าจะได้เป็นมหาเศรษฐีได้เป็นมหาจากักรพรรดิได้เป็นอะไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามก็สู้ชาตินี้ไม่ได้ชาตินี้มาเกิดเป็นขอทานยังจะดีกว่า ชาติก่อนๆที่ได้เกิดเป็นมหาจากักรพรรดิเป็นปานนาทิปดีเป็นนายกขเทมันตีใชอีกเพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายไปอยู่เรื่อยๆแต่ชาตินี้เราได้มาเจอพระพุทธศาสนายิ่งได้มาเกิดเป็นขอทานได้ยิ่งดีใหญ่เพราะขอทานนี่แหละจะเป็นผู้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมมากกว่าเศรษฐีเพราะเศรษฐีนี้จะรัก จะหวงเงินทองจะสละเงินทองไปปฏิบัติธรรมได้ยากกว่าขอทานครูบาอาจารย์ของพวกเราที่เรากล่าวไหว้บูชานี้ส่วนใหญ่ท่านเป็นลูกชาวนาวชาวไร่ลูกของคนยากคนจนน้อยคนที่เป็นลูกของเศรษฐีกันท่านถึงไปกันง่ายท่านไม่ต้องมาทำฐานให้เหนื่อยเพราะไม่มีอะไรต้องทำเงินหมดแล้วท่านก็เลยบวชกันได้ ไปรักษาศีลไปภาวนากันได้ท่านจะเลยได้เปลี่ยนดวงตาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วส่วนพวกที่เป็นพวกที่มีเงินมีทองพวกร่ำพวกรวยทั้งหลายอย่างพวกเรานี้ต้องมาแตกเกกตะกายสู้กับความตันนีกันนี่เรากำลังมาสู้กับความตนันนีมาสละทรัพย์เงินทองของพวกเราวันนี้เราค่ามันได้ทักมากเท่าไหร่ร้อยละสิบหรือร้อยละยี่สิบ เรือยรอยละสามสเรามีกี่ล้านเราทำบุญได้กี่กี่บาทเนี่ยดูจํานวนเอาดูร้อยละเท่าไหร่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เราต้องทำให้หมดเนเราถึงจะสามารถไปสู่การรักษาขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาศีลและการภาวนาถ้าเรายังติดอยู่กับเงินกับทองยังต้องใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆอยู่ เราจะไม่สามารถที่จะขึ้นไปสู่การเปลี่ยนดวงตาขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาศีลและการภาวนาก็คือการอยู่แบบนักบวชหรือเป็นเป็นนักบวชนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เถิดพยายามทําทานให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ รักษาศีลและภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วไม่นานเราก็จะสามารถบรรลุธรรมเปลี่ยนดวงตาขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนาระโสยทามณิโชติระโสยทาสพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีริสะนิจจังวุทธาปจายโน จตารโอธรมมวทานติอายุวโนสุขังภาลัตอนนี้จะถามตอบปัญหากันถ้าท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะทราบก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนได้ หลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะยุติการถามตอบตอนนี้ถามได้เต็มที่ถ้าไม่มีคำถามก็จะให้ถามคำถามที่ฝากทางบ้านฝากมาผ่านทางเ c e b o o k ท่านอยู่บ้านถ้าอยากจะถามก็เข้าไปในเฟ e b o o กก็เขียนได้รอเขียนวันศุกร์เนี่ยท่านจะมีช่องเปิดให้เขียนคำถาม ขอโอกาสเรียนถามพระเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะขอโอกาสเรียนถามว่าการเวียนเทียนกับการหลอดเทียนพรรษาเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่เดิมในสมัยพุทธกาลหรือไม่คะเรื่องการหลอดเทียนนี่ที่ว่าคงจะมีมาในยุคที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ต้องมีการหลอดเทียนเพราะว่าต้องใช้แสงเทียนเป็นแสงสว่างในยามค่ําคืนไว้สําหรับ อ่านหนังสือหรือว่าทําอะไรต่างๆที่ว่าเรื่องเทียนนี้คงจะมีตั้งแต่ยุคสมัยพุทธกาลเรื่องการเวียนเทียนนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมเนียมของสมัยพุทธกาลที่เราจะแสดงคาระวะต่อบูชนียสถานหรือบุคคลท่านจะเดินรอบอรอบบุคคลหรือปูชนียสถานนั้นสามรอบด้วยกัน เป็นการแสดงความเคารพนนการเวียนเทียนก็คงจะดัดแปลงมาเพราะว่าในสมัยพุทธกาลนั้นท่านจะเน้นการปฏิบัติบูชากันเดินจงกรมนั่งสมาธิกันเป็นส่วนใหญ่่สมัยนี้เราไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันเราก็เลยใช้การเวียนเทียนนี้เป็นการปฏิบัติเพราะอย่างน้อยก็ได้ ได้เดินจกลมสามรอบค่ะขอโอกาสเล่นถามเพิ่มอีกหนึ่งคำถามนะเจ้าคะจะถามว่าอย่าง อ, อย่างในปัจจุบันนะคะ่ะบางทีเนี่ยเรามองเห็นว่าบางวัดเนี่ยอาจจะมีผ้าอัน้ําฝนหรือมีหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปแล้วแล้วทีนี้เราเราคิดว่าถ้าเราถวายอีกอาจจะล้นล้นเกินความจําเป็นแล้วเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นถวายปัจจัยแทนไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยค่ะจะจะได้อา น, นิสงส์งเท่ากันไหมเจ้าค่ะได้เท่ากันได้ คือประโยชน์อาจจะต่างกันผู้ที่ใช้ เ, เหตุผล ก, ก, ก็ก็น่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าเพราะถ้าเราให้ของซ้ำๆก็ไม่สามารถนำเอาไปทำประโยชน์อะไรได้แต่ถ้าเราถวายเป็นปัจจัยเงินทองนี่สามารถที่จะไปซื้อสิ่งที่จําเป็นที่ขาดแคลนที่ไม่มีใครถวายได้คือการให้นี้ เป้าหมายอยู่ที่การสละทรัพย์ที่เป็นของเราตัดความยึดความติดในทรัพย์สมบัติเพราะว่าถักวันหนึ่งเราจะต้องจากกันไปถ้าเราสละด้วยความยินดีเวลาจากกันเราจะมีความสุขถ้าเราสละด้วยความไม่ยินดีเราจะมีความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราสละเพื่อเราจะได้ เวลาที่ตายจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปจะตายอย่างสุขสบายไม่ทุกข์ไม่เสียใจแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่เพื่อที่จะส่งเสริมให้เราได้เลิกใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขเพื่อเราจะได้ใช้การปฏิบัติทำเป็นเครื่องมือหาความสุขแทนต่อไปสาธุเจ้าค่ะ คำถามแรกค่ะจากคุณนบค่ะผมอยากมีอาจารย์ช่วยแนะนำกรรมฐานให้ครับผมขอกราบเป็นสิทธิ์ได้ไหมครับก็ไม่เคยห้ามหรือไม่เคยขอใครจะเป็นก็เป็นใครจะไม่เป็นก็ไม่เป็นเรามีหน้าที่สอนเราก็สอนไปคนที่ฟังถ้าชอบนำมาไปปฏิบัติก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันไป ถ้าไม่นํามาไปปฏิบัติก็ไม่ถือว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์เพราะการจะขอเป็นลูกศิษย์แล้วไม่ไปปฏิบัติก็เสียเวลาเปล่าๆเป็นลูกศิษย์แต่ชื่อแต่เนื้อหาสาระของการเป็นลูกศิษย์ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ก็คืออาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้ลูกศิษย์เป็นผู้นำเอาความรู้นั้นไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความแตกฉาน เพื่อให้เกิดความรู้ปรากฏขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัติเองดังนั้นไม่ต้องขอนะคือพระพุทธเจ้าเขาไม่เคยบอกให้พวกเราต้องมาขอเป็นลูกศิษย์ถ้าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเราก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าโดยปริยาย คำถามที่สองจากคุณทอนทิพย์ค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าลูกมีเรื่องทุกใจเรียนถามว่าลูกเคยสาบานกับพระรูปหนึ่งไว้ตอนนี้ท่านผิดคำสัตย์สาบานที่พูดไว้จะเป็นบาปเป็นเวรกรรมต่อกันไหมคะ ทุกวันนี้ลูกไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศภาวนายังไงใจก็ไม่สงบสักทีพยายามกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่เผลอไปคิดเรื่องที่พระท่านให้คำสัตย์สาบานไว้แต่ท่านไม่ทำหรือว่าเป็นกรรมของเราคนที่รักษาคำสัตย์สาบานสิ่งที่ได้คือความทุกข์ใจจะทำอย่างไรให้ใจสงบเสียทีคะเราต้องดึงใจออกจาก การไปยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาแล้วใจเราไม่อยู่ในปัจจุบันเพราะเราขาดสติถ้าเรามีสตินี้สติจะดึงใจให้เราอยู่ในปัจจุบันแล้วเราจะลืมเรื่องอดีตและเรื่องอนาคตไปตอนนี้ใจเราไม่มีสติใจเราเลยไปผูกพันอยู่กับอดีตเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติให้มากๆเช่นบริกรรมพุทโธให้อยู่เรื่อยๆ ้ะ ล, ลึกถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆก็ได้คือให้ใจมีอะไรทำในปัจจุบันอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วหรือจะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอาดีตมันก็เป็นเหมือนความฝันแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเมื่อคืนนี้แรานอนหลับฝันไปฝันดีฝันร้ายมันก็ผ่านไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราที่เราจะไปลื้อฟื้นมันขึ้นมา นอกจากจะเอามันมาใช้เป็นบทเรียนอุทาหอนสอนเราว่าการกระทำแบบนี้ดีหรือไม่ดีถ้าดีเราก็นำมาปฏิบัติต่อถ้าไม่ดีเราก็อย่าไปปฏิบัติมันเรื่องของคำมั่นสัญญาของผู้อื่นนี้ผู้อื่นที่เขาผิดคำมั่นสัญญานี้ไม่มีผลอะไรกับเราถ้าเราเป็นผู้ให้คำมั่นสัญญาแล้วเราเป็นผู้ ผิดคำ ม, มั่นสัญญาอันนั้นแหละจะเกิดความเสียหายกับเราเพราะทำให้เราเป็นคนไม่มีสัจจะเป็นคนโลเลเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่น่าไว้วางใจแต่เรื่องของคนอื่นนี้เราอย่าไปกังวลเขาจะรักษาสัจจะรักษาคำ ม, มั่นสัญญาได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเขาถ้าเขารักษาไม่ได้เขาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เขา ไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาได้เท่านั้นเองเ้าก็จะเสียเครดิตไปต่อไปเขาจะให้คำมั่นสัญญากับเราเราก็คงจะไม่แน่ใจเราก็คงจะไม่อยากจะเชื่อเพราะฉะนั้นเรื่องของคนอื่นเราอย่าไปกังวลเขาทำอะไรเขาพูดอะไรสัญญาอะไรนี้เขาไม่ทำตามเราไปห้ามเขาไม่ได้ ปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเรามั้งอยากให้เขาทำตามคำมั่นสัญญาเช่นสัญญาจะแต่งงานกันแล้วเขาไปแต่งกับคนอื่นมั้งเนี่ยถึงทำให้อดคิดอยู่ไม่ได้เรื่อยๆมันคงจะต้องมีความอยากของเรามากมันจึงทำให้เราไปคิดถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะลืมมันไปได้อย่างง่ายดาย เช่นถ้าเราเขาให้คํามั่นสัญญาว่าเขาจะ เ, าเขาจะาไม่มีนึกไม่ออกอเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะอคือปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราเนะี่ยถ้าเรามีความอยากความอยากกับคํามั่นสัญญาของเขาเราก็จะปล่อยไม่ลงแต่ถ้าเราตัดความอยากนี้ไปได้มันก็จะหายไปได้อย่างง่ายดาย คำถามต่อมาจากคุณพัชจรุสมบัติค่ะกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ว่าความอยากทาบุญใส่บาตรช่วยงานพระสงฆ์ยังจัดเป็นความอยากอ ย, กอยู่ความอยากแบบนี้ควรจัดการอย่างไรหรือควรทําใจเป็นอุเบกขาแล้วมาเร่งการรักษาศีลภาวนาแทนเจ้าคะคือความอยากที่ฮุทธิยาสงสอนให้ละมันมีเคงสามสามข้อ ความอยากในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นซึ่งความอยากทำบุญนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ได้ส่งสอนให้ละการอยากทำบุญนี้เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าบุญระดับไหนเหมาะสมกับเราในเวลานั้นถ้าเราเป็นผู้แสวงหาความสงบ เป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเราอยากจะไปทำบุญทาทานไปทอดผ้าป่าไปงะทอดกระถินไปงานบุญต่างๆความอยากแบบนี้เป็นโทษกับเราเพราะว่าจะทำให้เราเสียเวลากับการเจริญปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบของใจผู้ที่บวชแล้วหรือผู้เป็นผู้อยู่แบบนักบวชนี้ควรที่จะเลิกเลี่ยงการทำบุญ ที่ต้องออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผธพะให้ทาบุญด้วยการเปกวิเวด้วยการเจริญสติด้วยการทำใจให้สงบด้วยการเจริญปัญญาถ้าเราอยากจะทำจริงๆก็มีวิธีทำแบบง่ายๆแบบสมัยนี้เพียงแต่กดมือถือเท่านั้นกดไปเลยกี่หมื่นกี่แสนส่งไปปั๊บก็เรียบร้อยแล้ว ถ้าอยากจะทำก็ยังทำได้อยู่แต่ขอให้นำมัดระวังอย่าให้มันมาทำลายการปฏิบัติของเราที่เป็นบุญที่สูงกว่าคำถามต่อมาจากคุณไกรมาศค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพยิ่งค่ะขอโอกาสเตียนถามปัญหาธรรมดังนี้ข้อแรกในวัยเด็กอายุประมาณเก้าขวบ ขณะนี้อายุ46ค่ะเวลามองไปที่เพื่อนๆ เ, เล่นกันอยู่โยมมักจะสงสัยตัวเองว่าเราเป็นใครกันหนอททำไมถึงมามีความรู้สึกอยู่ภายในกายนี้ทำไมไม่ไปรู้สึกในกายอื่นอีกทั้งเวลากลางคืนจิตมักจะรวมและลออยู่กลางอากาศไม่มีกายมีแต่ตัวรู้และบางครั้งมักจะฝันว่า ตกจากที่สูงหรือจิตพุ่งขึ้นไปบนอากาศอย่างรวดเร็วรู้สึกควาเสียวมากๆจนสะดุ้งตื่นแต่ทำไมความเป็นอย่างนั้นในวัยเด็กถึงหายไปคะถ้าหากในอดีตชาติเคยทำกรรมฐานมาสิ่งนั้นจะหายไปหมดหรือไม่เจ้าคะตอนที่เป็นวัยเด็กอาจจะเป็นวัยที่เราไม่มีภาระผูกพันกับเรื่องราวต่างๆ ทำให้ใจเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเราก็เลยว่างพอว่างมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเคยทำความสงบมาในอดีตชาติอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงพระ ช, ชนสิบพรรษาหรือประมาณนั้นทรงประทับอยู่ตามลําพังใต้ต้นไม้วันนั้นพวกพวกบริพาอา พวกคนที่นางสนมกำนันผู้ที่คอยดูแลรับใช้พระองค์ไปทำภารกิจทางอื่นเลยปล่อยให้พระองค์อยู่ตามลำพังพอพงค์อยู่ตามลำพังมันก็เลยไม่มีอะไรมาดึงใจให้ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆใจที่เคยเข้าสู่ข้างในมันก็จะเข้าข้างในทันทีเข้าสู่ความสงบถ้าสิ่งเหล่านี้ทำมาแล้ว มันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมหมดไปได้เหมือนกันถ้าเราไม่บำรุงไม่ทำต่อถ้าเวลาผ่านไปผ่านไปจิตเราออกมาอยู่ข้างนอกบ่อยๆเข้าต่อไปมันก็จะกลับเข้าไปยากแต่ถ้าเราพยายามดึงใจเอาไว้ให้เข้าข้างในอยู่เรื่อยๆให้ออกมาเท่าที่จำเป็นมันก็จะอยู่ต่อไปได้ สมาธิท่านถึงบอกว่ามีเจริญมีเสื่อมได้แต่ถ้าเป็นสมาธิที่เกิดจากปัญญานี้มันจะไม่เสื่อมสมาธิที่เกิดจากสตินี้มันเสื่อมได้เวลาสติอ่อนกําลังลงสมาธิมันก็จะอ่อนกําลังลงไปแต่ปัญญานี้มันมันจะไม่อ่อนถ้ามีปัญญาแล้วมันก็จะมีแล้วปัญญานี้จะเป็นผู้ที่จะกําจัด ปัญหากิเลสต่างๆที่จะมาคอยอสร้างความวุ่นวายใจวังกันให้ใจไม่เข้าสู่ความสงบพอปัญญาสามารถทําลายกิเลสตัญหาได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องรักษาไม่เสื่อมเพราะจะมีปัญญาคุมใจอยู่ตลอดเวลาคุมกิเลสตัญหาอยู่ตลอดเวลา เกลอตัญหาตัวไหนที่ปัญญาได้ทำลายแล้วมันจะไม่พื้นกลับคื้นขึ้นมาอีกถ้าเลิกกินกาแฟาได้ด้วยการเห็นว่ามันเป็นยาพิษเป็นเป็นโทษมันจะไม่กินอีกแต่ถ้ามันเลิกกินด้วยความฝืนด้วยการบังคับด้วยความทนพอมันอดทนไม่ไหวมันก็จะกลับไปกินใหม่เพราะยังไม่เห็นว่าเป็นยาพิษยังเห็นว่าเป็นขนมเป็นของน่ากินอยู่ นั้นต้องเห็นทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ด้วยปัญญาแล้วมันจะตัดปัญหาความอยากได้อย่างเด็ดขาดจะไม่กลับไปติดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกต่อไปคำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะโยมเคยปฏิบัติด้วยการภาวนายุบหนอพองหนอและมีครูอาจารย์ที่ดีและเมตตา ม, มากปฏิบัติตามหลักของท่านได้ผลดีแต่ติดปัญหาว่าท่านอายุมากไม่ได้ลงสอนเอง อีกทั้งครูอาจารย์มีน้อยคนปฏิบัติมากเวลามีปัญหาด้านการปฏิบัติเลยไม่มีโอกาสได้ถามปัญหาไม่มีใครให้คำปรึกษาได้รู้สึกท้อใจอีกทั้งตอนนี้โยมอยู่ประเทศเดนมาร์กได้ฟังธรรมจากอินเทอร์เน็ตประจําฟังมาหลายปีวันละหลายชั่วโมงมีความสุขจิตสงบสบายและเกิดปัญญารู้ตามธรรมนั้ น, น, น แต่พอไม่ฟังเวลาอยู่กับทางโลกมีอะไรมากระทบก็ยังหวั่นไหวอยู่เป็นเพราะสติไม่เข้มแข็งพอและขาดการปฏิบัติทำอย่างไรจะมีกำลังใจมากกว่านี้คะทำก็ฟังมามากแต่ความรู้สึกมั น, นงนงงงไม่อยากปฏิบัติขี้เกียจมากค่ะทั้งที่ฟังทำได้ทั้งวันแต่พอจับปฏิบัติ เป็นอันแพ้กิเลสราบคาบทุกทีค่ะก็ต้องกระตุ้นความเพียรขึ้นมาโดยการนับเลกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาของเรามันน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบกระตุ้นไม่รีบผลักดันการปฏิบัติของเราเดี๋ยวความตายมาถึงเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี้เรายังทำได้ก็ขอให้เราพยายามกระตุ้น พยายามเตือนใจว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทำอะไรอยู่เรากําลังเจริญสติเจริญปัญญาอยู่หรือเปล่ามีสองตัวนี้เท่านั้นที่เราต้องเจริญกันเจริญสติก็ได้หรือเจริญปัญญาก็ได้สติก็ให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับพุทโธอยู่กับการเคลื่อนไหวาการกระทาของร่างกาย ถ้าปัญญาก็ให้คิดพิจารณาตายรักเสมอเห็นอะไรก็พิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักเห็นร่างกายของใครก็คิดจะนาว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีตัวไม่มีตนในร่างกายนั้นไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่ในร่างกายนั้นไม่มีสามีไม่มีภรรยาอยู่ในร่างกายผู้ที่อยู่ในร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือพ่อแม่สามีภรรยานั้นคือใจแต่ละดวงที่เขาไปครอบครองร่างกาย เขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายดังนั้นเราไม่ต้องไปวิตกไปกังวลไปห่วงใยไม่ไปยึดไปติดไปทุกข์กับเขาเพราะร่างกายไม่ได้เป็นของใครร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์พวกเราไม่เคยทุกข์กับเรื่องความตายของรถยนต์ใช่ไหมรถยนต์พังเราก็รู้ว่าเป็นเพียงเศษเหล็กไปเท่านั้นเองร่างกายตายไปก็เป็นเพียงที่เท่าเป็นเศษกระดูกไปเท่านั้นเองไม่มีตัวตนไม่มีใครอยู่ในร่างกายนี้ ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างลาบยศสะละเสริญสุขนี้ก็ต้องเสื่อมไปบุคคลต่างๆก็ต้องเสื่อมไปมีอย่างเดียวที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันตายก็คือใจแต่ใจเราไปหลงเลยเกิดความทุกข์กับสิ่งต่างๆด้วยความอยากให้เขาไม่เสือ่อมแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสือ่อมเราก็จะหยุดความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆเสือ่อมพอเราหยุดความอยากได้ การเสื่อมของสิ่งต่างๆก็จะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นความทุกข์กับเราอีกต่อไปให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆคอยคิดอย่างนี้ไปตลอดเวลาไม่ว่าเราจาลังทำอะไรพูดอะไรกับใครให้ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายให้ระลึกถึงความเสื่อมอยู่เสมอทั้งกับคนที่เราคุพูดคุยด้วยทั้งกับตัวของเราเองด้วยถ้ามันอย่างนี้แล้วมันจะมีความเพีย แล้วมันจะมีปัญญาแล้วมันจะไม่ทุกข์กับไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆไม่วุ่นวายกับบุคคลต่างๆเพราะราว่าวุ่นวายไปมันก็ต้องเสื่อมอยู่ดีไม่วุ่นวายก็ต้องเสื่อมไม่วุ่นวายสบายใจกว่าปล่อยก็เสื่อมไปถ้าเราทำอะไรได้ก็ทำไปทาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปคำถามที่สามจากท่านเดิมค่ะ โยมเป็นโรคภูมิแพ้และมีอาการหอบหายใจลำบากมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดอาการกำเริบกระทันหันขณะเดินอยู่แน่นหน้าอกหายใจเข้าไม่ได้ยิ่งตกใจก็ยิ่งกำเริบหนักรู้ว่าหายใจไม่ได้แล้วคงตายแน่คราวนี้โยมจึงพยายามสงบใจตั้งสติดูลมหายใจคิดว่าตายก็ตายขอตายอย่างมีสติ จงกำหนดรู้ดูอาการนั้นๆจนรู้สึกว่าไม่หายใจแล้วลมผ่านเข้าไปที่ปอดไม่ได้รู้นิ่งอยู่จนกายหายไปเหลือแต่ตัวรู้และเบาสบายนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่มีความนึกคิดใดๆจนกระทั่งรู้สึกมีลมเย็นๆผ่านเ ข, าเข้าจากรูจมูกลงไปที่ปอดทีละนิดและมากขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกตัวอีกครั้ง ก็ยังเห็นว่ากำลังเดินอยู่สะพายกระเป๋าอยู่ปกติแล้วจึงเรียกแท็กซี่ไปหาหมอยอมรู้สึกแปลกใจว่าช่วงเวลานั้นหายไปไหนมาคะทาไมถึงเป็นอย่างนั้นคะขอความเมตตาครูอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะจิตถอนออกจากร่างกายด้วยสติพอเรากำหนดสติจิตมันก็จะเข้าสู่ภายในเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ใจ ใจปกตินี้จะ <c oughs> ออกมาติดอยู่กับร่างกายพอเราใช้สติดึงกลับเข้าไปข้างในก็จะปล่อยวางร่างกายเหมือนกับแยกออกจากร่างกายไว้ชั่วคราวพอเราไม่ไปไปทําอะไรวุ่นวายกับร่างกายร่างกายก็มีเวลาที่จะฟื้นฟูตัวเองร่างกายก็เลยฟื้นฟูพอร่างกายฟื้นฟูขึ้นมาใจของเราก็ออกมารับรู้ต่อไป ถ้าเราตกใจเราอาจจะไปทำให้ร่างกายนั้นหยุดทำงานได้ด้วยความตกใจด้วยความกลัวของเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเขาฟื้นฟูไปถ้าเขาฟื้นได้เขาก็จะฟื้นของเขาเองถ้าเขาฟื้นไม่ได้เขาก็ต้องตายไปแต่ใจที่ปล่อยจะเป็นใจที่สงบที่เย็นจะสบายเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนั่นแหละเป็นใจที่ปล่อยวาง อาจจะปล่อยวางแบบชั่วคราวด้วยสติยังไม่ได้ปล่อยวางด้วยปัญญาถ้าปล่อยวางด้วยปัญญานี้ก็จะต้องพิจารณาว่ากายไม่ใช่ตัวเราของเราความตายของร่างกายเป็นเพียงความตายของร่างกายไม่ใช่เป็นความตายของเราพร้อมยินดีที่ให้เขาตายได้เสมอตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนั้นก็จะเป็นการบรรลุธรรมมีดวงตายห็นธรรมคาถามต่อไปค่ะจากคุณบีนัตี้ค่ะ การเจริญสติต่างกับการภาวนาอย่างไรคะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราใช้คำพูดที่มันมีความหมายต่างกันคำว่าภาวนาเป็นความกว้า ง, างแปลว่าการพัฒนาจิตใจให้มีความสงบให้มีปัญญาสมถะภาวนาก็เป็นการพัฒนาให้ใจเข้าสู่ความสงบวิปัสนาภาวนาก็เป็นการพัฒนาให้ใจเกิดปัญญาขึ้นมา ส่วนคําว่าสตินี้เป็นธรรมเฉพาะคือเป็นการปฏิบัติให้จิตมีความระดกลืดอยู่เสมอไม่ให้จิตลอยไปกับเรื่องต่างๆให้จิตอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวเรียกว่าสติคําถามต่อมาจากผู้ฝากถามค่ะที่มีคําพูดที่ว่าคนที่ฆ่าตัวตายก็จะเกิดแล้วฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติ คำว่าห้ารอยชาตินี้เป็นกรรมที่กำหนดตายตัวว่าต้องฆ่าตัวตายครบห้าร้อยชาติหรือว่าถ้าในชาติใดชาติหนึ่งผู้นั้นได้เจอพระพุทธศาสนาได้เจอครูบาอาจารย์ที่รู้จริงสอนสามารถสอนและบอกทางปฏิบัติให้ได้และเขาสามารถปฏิบัติตรงนี้จะหนีกรรมจากการฆ่าตัวตายได้ไหมคะได้ถ้าเรา รูจากวิธีแก้ปัญหาโดยวิใช้วิธีใหม่ถ้าเราใช้วิธีแก้ปัญหาต่างๆด้วยการฆ่าตัวตายเราก็จะติดเป็นนิสัยไปพอเราไปเกิดข้างหน้าชาติหน้าไปเจอปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เราก็จะคิดฆ่าตัวตายแต่ถ้าเราไปเจอผู้รู้ผู้ที่จะมาสอนเราบอกเราว่าวิธีนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหามันอยู่ที่ใจ อยู่ที่ความอยากที่เราทุกข์กันมากๆนี้ไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องของร่างกายเช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมพึกเป็นอมภาสนี่เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแต่ที่เป็นปัญหาก็คือใจอยากให้มันหายอยากให้ร่างกายมันหายแล้วมันไม่หายก็เลยอยากจะหายจากมันไปด้วยการฆ่ามันไปอันนี้พอได้พบกับพระพุทธศาสนาท่านก็จะสอนว่าวิธีแก้ปัญหาต้องแก้ที่ใจ แก้ที่ความอยากจะแก้ความอยากได้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายของทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมันแก่ก็ต้องยอมรับมันเมื่อมันเจ็บก็ต้องยอมรับมันเมื่อมันพิการเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันเราจะอยู่กับมันได้อย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ถ้าเราแก้อย่างนี้ได้ต่อไป การฆ่าตัวตายก็จะไม่เป็นวิธีสำหรับเราอีกต่อไปทุกครั้งเรามีปัญหาเราจะมาแก้ที่ความอยากของเราทันที ค, ออออคาถามทั้งบ้านหมดแล้วออทงางศาลาอยากจะถามต่อก็เชิญออขอขอโอกาสพระอาจารย์เกี่ยวกับจากับเรียนพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการภาวนาค่ะว่า อ, อคือก่อน ก่อนหน้าที่จะเดินทางมาค่ะที่มาฟังคําบรรยายของพระอาจารย์นะคะก็เกิดสภาวะที่ตัวเองนั่งอยู่แล้วมีอาการเวียนหัวแล้วก็จะมีอาการขึ้นไส้แต่ว่าก็คือจะภาวนาข้างในด้วยนะคะก็คือดูเวทนาที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยก็จะเกิดภาวะที่เห็นอาการที่มันจะมีลักษณะปวดหัวบีบ ครั้นแต่ว่าใจไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปแนบกับอารมณ์นั้นด้วยอะค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ดูมันนิ่งๆอยู่สักพักหนึ่งอะค่ะอาการนั้นมันก็ทุเลาลงค่ะก็ถูกแล้วไงวิธีปฏิบัติต่อร่างกายก็คือให้รู้เฉยๆเขาเป็นอย่างไรถ้าเราทําอะไรไม่ได้หรือเราไม่รู้เหตุที่จะไปแก้ไปรักษาเราก็ให้รู้ไปเฉยๆ อย่าไปตื่นเต้นตกใจกลัวหรืออย่าไปเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเพราะจะทําให้ไปกระทบกระเทือนทั้งร่างกายและจิตใจอาจจะทําให้ของเบาๆกลายเป็นของหนักขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะพระอาจารย์เคียนขอโอกาสเพื่อถามเกี่ยวกับเรื่องความฝันนิดนึงนะคะพระอาจารย์ว่าคือจะฝันคล้ายๆกับ เมื่อสักครู่ที่เขาถามเรื่องการตกตากที่สูงค่ะแต่ในความฝันเนี่ยคือเหมือนเดินไปจากถนนที่กว้างแล้วก็กลายเป็นแคบไปเรื่อยๆจนไม่มีทางที่จะเดินไปแล้วค่ะแต่ว่ามองลงมาแล้วเนี่ยมันหาจุดที่สิ้นสุดไม่เจอแล้วในความฝันเนี่ยก็ตัดสินใจทิ้งตัวลงมาโดยที่ไม่มีความหวาดกลัวค่ะก็เป็นธรรมชาติของจิตที่เคยมีความสงบมันก็จะ ฝันไปในเรื่องที่จะทําให้มันเข้าสู่ความสงบเวลาจะเข้าสู่ความสงบนี้บางทีมันจะมีอะไรแปลกๆมาปรากฏทําให้ใจเกิดความรู้สึกที่จะต้องปล่อยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะวุบเข้าไปสู่ความสงบบางทีก็อาจจะมีอาการเหมือนถูกผีผีอำก็ได้อยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามีใครจับยกเราทุ่ม ยกตัวเราขึ้นแล้วก็ทุ่มเราลงไปในพื้นแต่ความจริงมันเป็นความรู้สึกของใจปลุมแต่งขึ้นมาพอมันพอใจมันปล่อยให้ทุ่มปับ๊บมันก็เข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นก็ให้รู้จักแต่ว่ารู้ไปไม่ต้องไปมีอะไรกับมันเพราะเวลาฝันนี่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้มันเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติของเรามา ขอบคุณค่ะกับเป็นถามพระอาจารย์ค่ะจากการที่ได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ในวันนี้นะคะเรื่องออที่พระอาจารย์พูดถึงโสดาปฏิผลสกทาคามีแล้วก็อนาคามีค่ะจะถามว่า เ, เพศคารวาดอย่างเราค่ะสามารถที่จะบรรลุอนาคามีได้ไหมหรือจะต้องเป็น ผู้ที่คลองเพศปัญญชนเท่านั้นคะ่ะคือไม่ได้อยู่ที่เพศนะอยู่ที่อยู่ที่มครมคมรคก็คือสติปัญญาศินสมาธิปัญญาว่าเรามีไหมถ้ามีเป็นหญิงเป็นชายเป็นคารวาสเป็นพระก็ได้บรรลุได้เหมือนกันแต่ที่มีพระบรรลุมากกว่าคารวาสก็เพราะวา่าคารวาสไม่สามารถที่จะสร้างมครคให้ได้เท่ากับพระ เพราะเวลามีไม่มากพอขารวาสญาตโยมต้องใช้เสียเวลาไปกับการทำมาหากินต่างๆเวลาที่จะมาสร้างสติปัญญาสร้างศีลสมาธิปัญญานี้มีน้อยมากส่วนพระนี่ท่านไม่มีภารกิจภารกิจการทำมาหากินท่านก็เลยมีเวลาที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่งนั้นไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัย อยู่ที่มัจคือสติปัญญาศินสมาธิปัญญาว่ามีหรือไม่ถ้ามีไม่เป็นฆราวาก็เป็นได้ฆราวาบางคนก็บรรลุได้แต่น้อยมากเมื่อเปรียบกับพระเพราะว่าเวลาให้กับการปฏิบัติมีมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองเหมือนกินยาจะกินที่บ้านแลือกินที่โรงพยาบาลก็ไม่เป็นปัญหาอะไร กินที่โรงพยาบาลมันง่ายมันสะดวกกว่ามีมีหมอมีพยาบาลมาคอยหยิบให้เรากินอยู่เรื่อยๆกินที่บ้านบางทีเราลืมกันมัวไปทํางานทําการพอถึงเวลากินยาก็ไม่ได้กินตามเวลาโลาครคภัยไข้เจ็บมันก็เลยไม่หาแต่พอเราเข้าโรงพยาบาลมีหมอมีพยาบาลมาคอยตรวจคอยดูทุกชั่วโมงอย่างเนี้เขาก็จะคอยป้อนยาให้เราอยู่เรื่อยๆ บางทีป้อนตลอดเวลาเลยเห็นไหมมีสายยางใสายน้ําเกลือเนี่ยเป็นยาให้เราได้มียาหล่อเลี้ยงร่างกายตลอดเวลาเราจึงหายเร็วแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราไม่สามารถที่จะใช้สายยางสายน้ําเกลือได้เพราะเราต้องทํานูน่ทนทํานี่แล้วบางทีทําแล้วก็เลิมกินยาถึงเวลากินยาก็ไม่ได้กินมันก็เลยไม่หายนี่คือลักษณะเปรียบเทียบอยู่ที่นี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ อยู่ที่เป็นใครนะอยู่ที่สถ า, านที่อยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านนะอยู่ที่ว่ามีการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือเปล่าขอค่ะ ข, ข, ขอถามพอดีอ่านประวัติของครูบาอาจารย์บรรุธรรมอะค่ะเส้นทางบางท่านก็บอกว่าให้เจริญสมาธิแล้วก็พิจรารณาแต่บางท่านก็บอกว่า ก็ดูไปที่เธอไม่ต้องคิดอะไรแค่ดูก็รู้แล้วอย่างเนี้ยค่ะทีนี้มันแล้วแต่จริตหรือว่าการทํามาของแต่ละท่านหรือเปล่าคะคือบางท่านท่านอาจจะพูดถูกบ้างผิดบ้างก็ได้ดังนั้นเราก็ต้องฟังหูไวห้หูแล้วเราต้องนําเอาไปพิสูจน์ดูด้วยการปฏิบัติของเราเองถ้าวิธีของท่านที่ท่านแสดงถูกต้องได้ผลเราก็เราก็ใช้วิธีนั้นไปถ้าวิธีนั้นทำแล้วไม่ได้ผลก็ อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเพราะว่าบางทีสมัยนี้เรามีครูบาอาจารย์มากมายแม้แต่สมัยพระพุทธการก็มีมากมายจนพระพุทธเจ้าต้องแสดงการละเมิดขึ้นมาเพราะว่าอย่าไปเชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ของเราอย่าไปเชื่อเพราะเขาลือกันมาว่ากันมาว่าทาแบบนี้เราจะได้ผลคือให้เราฟังหูว่หูไม่ให้ปฏิเสธ แล้วให้เราเอาลองไปพิสูจน์ดูทําดูว่าทําแล้วทุกข์ดับหรือไม่กิเลสตัณหาตายหรือไม่เี่ยเอาตรงนี้เป็นตัววัดกันแล้วก็อีกเรื่องหนึงนะคะเป็นเรื่องธรรมดามากอย่างเช่นการให้ทานหรือการถวายของทําบุญเนี่ยค่ะบางคนนี่ปิติสุขมากแต่บางคนกับรู้สึกเฉยหรือเกินถวายก็เป็นเรื่องของหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาที่ถวายของเนี้ยค่ะ อย่างนี้มันมีผลต่างกันไหมคะคือมันมีเหตุต่างกันไงคนบางคนทําด้วยความจําใจมันก็จะปิติน้อยอคนบางคนทําด้วยความยินดีก็มีปิติมากแล้วก็มีอีกเหตุหนึ่งคือคนที่ได้บุญที่สูงกว่าการทําทานเขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับการทําทานถ้าเขาได้ความสงบจากการภาวนาการทําทานนี้ก็จะไม่ค่อยมีผล ที่จะให้เขาปิติเหมือนกับผลที่ก็ได้รับจากการภาวนายัางมันก็มีหลายเหตุด้วยกันค่ี่ประเด็นหนึ่งคือถ้ากรณีของคนบางคนเนี่ยไม่ชอบเดินทางที่จะไปยุ่งกับคนมากมายเขาก็ชอบที่จะฟังซีดีธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่บ้านกับแต่ว่าก็มีครูบาอาจารย์เตือนว่าการฟังซีดีธรรมะไปเรื่อยๆกับการที่มากราบครูบาอาจารย์เนี่ยใจที่น้อมในธรรมะก็ต่างกันไม่แน่เสมอ ไ, ไปหรอก เพราะว่าใจน้อมธรรมะได้กับคำสอนที่แจวเลื้อยไวอัดเสียงไว้หรือ ก, กับตัวอาจารย์เองก็ได้เหมือนกันเท่ากันอย่างที่พระเจ้าทรงตัดไว้ว่าธรรมวินัยที่ที่เราตัดไว้ชอบแล้วนี้จะเป็นาศาสดาของพวกเธอต่อไปไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ยังสามารถน้อมใจเราเข้าสู่พระพุทธเจ้าผ่านทางพระธรรมคาสอนได้เหมือนกัน แล้วก็เคยคุยธรรมะกับหลายๆคนปฏิบัติธรรมกันเยอะๆค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่รู้สึกว่ามีกิเลสเลยเขารู้สึกไม่มีความโกรธไม่มีอะไรกระทบแล้วเขาจิตกระเทือนได้เลยอันนี้เป็นผลของสมาธิหรือผลของปัญญาได้เนกันค่ะผลผลก็คือยังไม่มีข้อสอบลองถูกใครด่าดูสักที <c oughs> ใครมาแย่งสามีแย่งภรรยาไปสักทีมันยังไม่มีข้อสอบเหมือนกับคนที่สบายๆ ย, ยังไม่มีโครคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ จะไม่ไหนหมายควาว่าจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมียามารักษาหรือเปล่าอันนี้สัมตอนนี้มียากินไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะตอนนี้มันไม่ได้เป็นไข้กินยาแก้ไข้มันก็ไม่มีผลต่างกันก็อย่าไปคิดว่าเราไม่มีไข้แล้ววันนี้เราอาจจะไม่มีแต่พุ่งนี้ใครจะไปรู้เพราะฉนั้นเราต้องพิสูจน์เราอย่าประมาเราต้องหาที่ทดสอบจิตใจของเราค่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ ขอโอกาสเรียนถามเพิ่มเติมเจ้าค่ะจะถามว่าระดับของการทําบุญนะคะอา น, นิสงค์ทำบุญจะมีตั้งแต่ระดับทําบุญกับทุศีลบุคคลธรรมดาพระสงฆ์แล้วก็พระอริยะอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆออค่ะทีนี้ในส่วนของการทําสมาธิค่ะเปรียบเทียบได้กับทานทําบุญระดับไหนใชคะคนละระดับกันเปรียบเทียบกันไม่ได้บุญนี่ได้จากการทําบุญให้ทานกับการปฏิบัตินี่มันคนละชนิดกัน วัดกันไม่ได้ถ้าจะวัดก็บแบบว่าน้อยน้อยกว่ามากบุญที่ได้จากการให้ทานนีไ้ได้ความศักระดับเงินเหรียญเงินเหรียญเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบาทแต่เงินที่ได้จากการภาวนา น, นี้เป็นเหมือนเงินแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันอะแม้แต่เพียงเสี่ยววินาทีใช่ไหมเจ้าค่ะก็อยู่ที่ปริมาณด้วยใช่แม้จิตสงบเพียงเซี่ยววินาทีเดียวได้คณิกาสมาธินี่ ก็ได้มากมหาศาลกว่าการทําบุญร้อยล้านพันล้านเพราะการทําบุญร้อยล้านพันล้านจะไม่ได้ให้ความสุขแบบที่ได้จากการได้ความสงบจากสมาธิ ส, ส, าธส่วนเรื่องที่บอกว่าอ น, นิสงส์ต่างกันเวลาเราทําทานทําบุญกับบุคคลต่างๆความจริงก็คือบทผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยคือธรรมะด้วยความรู้จากบุคคลนั้น คนที่มีความรู้น้อยเขาก็จะให้ความรู้กับเราน้อยคนที่เขามีความรู้มากเขาก็จะให้ความรู้กับเรามากถ้าเึงเปรียบเทียบว่าคนที่ทุศีนี่มีความรู้น้อยจึงทำทุศีนคนที่มีศีนนี่มีความรู้มากกว่าเขาย่อมสอนให้เรารักษาศี์ได้คนที่มีสมาธิเขาจะมีความรู้มากกว่าคนที่มีศี์เพราะเขาสามารถสอนให้เราปฏิบัติสมาธิได้คนที่เป็นโสดาบันเขาก็จะสอนให้เราบรรลุ ขั้นโสดาบันได้คนที่เป็นสกิดาคามกีก็สอนให้บรรลุสูงกว่าขั้นนั้นสวัสดาบันได้จนถึงพระพุทธเจ้านี่คือความแตกต่างถ้าเราได้ทําบุญกับบุคคลต่างๆเราจะได้รับความรู้ถ่ายทอดจากท่านระดับต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละบุคคลสา่มีใครอยากถานอีกไหม ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาไว้โอกาสหน้าถ้ามีก็กลับมาถามใหม่ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ